ธรรมบทแปลเรื่องที่168ภาคที่6เรื่องเจ้าลิชวีพระศาสดาเมื่อทรงอาศัยเมืองเวสาลีประทับอยู่ณกูตาการศาลาทรงปรารพวกเจ้าลิชวีพระธรรมเทศนานิว่าราติยาชายตีโสโกรติยา ชาญติพยังพระติยาวิปปมุตตสะนัติโสโกกุโตพยังความโศย่อมเกิดแต่ความยินดีไพย่ ย, ย่อมเกิดแต่ความยินดีความโศย่อมไม่มีแกผู้พ้นวิเศษแล้วจากความยินดีไพจะมีแต่ที่ไหนดังนี้ตอน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 อาศัยหญิงนั้นอันความริษยาครอบงามแล้วทำร้ายกันและกันยังเลือดให้ไหลนองดุดแม่น้ำครั้งนั้นพวกเจ้าพระงานเอาเตียงหามเจ้าิชวีเหล่านั้นมาแล้วฝ่ายพระศาสดาทรงทำพัตกิจเสร็จแล้วก็เสด็จออกจากวรรณ ก, กรพวกภิกษุ เห็นพวกเจ้าลิชวีอันเจ้าพนักงานนำไปอยู่อย่างนั้นจึงกราบตูนกับพระสัสดาว่าข้าแต่พรุ่งผู้เจริญพวกเจ้าลิชวีเมื่อเช้าตรู่ประดับประดาแล้วออกจากพระนครราวกับพวกเทวดาแบบ น, นี้อาศัยหญิงคนหนึ่งถึงความพินาศแล้วพระศัสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ความโศกก็ดีภัยก็ดีเมื่อจะเกิดย่อมมาใสยความยินดีนั่นเองเกิดดังนี้แล้วจึงได้ตรัสประกาศนิว่ารติยาชายติโสโกรติยาชายติพระยงรติยาวิปปมุตตสระ น, นติโสโกกุโตพยะยงแปลว่า ความโศกย่อมเกิดแต่ความยินดีภัยย่อมเกิดแต่ความยินดีความโศกย่อมไม่มีแกผู้พ้นพิเศษแล้วจากความยินดีภัยจะมีแต่ที่ไหนก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคาว่ารัติยาแต่ความยินดีนั้นหมายความว่าคือความยินดีในกา ร, รมุลทั้ง5คือพระอาาัยความยินดี ในการากุญทั้ ง, ง่านนั้นในการจบเทศนาจนเป็นอันมากบรรลุริรยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องเจ้าลิชวี